ขอความเจริญในธรรมชุมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่หลวงปู่พุทธิยานก็มังนำเสนอเรื่องสมาวยยมะซึ่งทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสี่นยะด้วยกันนยะแรกก็คือให้ปลุกฟังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องในการป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้บังเกิดขึ้น ซึ่งก็หมายความว่าเป็นการใช้ปัญญาจากสายของการศึกษาเรียนรู้การพินิจพิจารณาจนมองเห็นพทกของบาปอกุศลเหล่านั้นด้วยใจของตนเองหรือเชื่อตามที่อระพุทธจ้าทรงสแสดงเอาไว้หรือดูจากพฤติกรรมของบุคคลที่ประพฤติกระทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วประสบผลเป็นความรู้ความเดือดร้อนอย่างที่ พรเจ้าทรงแสดงโทษของการละเมิดศีลเอาไว้ปุคคที่ละเมิดศีลนั้นละเมิดศีลมีศีลชั่วจะมีความเดือดร้อนใจกับวิปฏิสารใจไม่สบายใจเจอชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียก็จะปรากฏแพร่กระจายไปในที่ทั้งหลายจะไม่องอาจเมื่อเข้าไปในสมาคมใดก็ตาม สัตว์ประุตไม่ขปหาสมาคมกับบุคคลเหล่านั้นแล้วก่อนจะตายก็จะลงตายตายไปแล้วก็จะบังเกิดในทุกติเราะจะเห็นว่าเหล่านี้เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลผู้นั้นแต่สำหรับเราเองยังไม่เกิดเมื่อก็กลายเป็นอกุศลที่ควรศึกษาพิจารณามองให้เห็นโทษทั้งในขณะนั้นนั้นขณะต่อมา ก่อนจะตายแล้ ว, ว่หลังจะตายไปแล้วพอรุลแล้วจะเดรนเนตให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลผู้นั้นและส่วนหนึ่งนี่เราก็มีประสบการณ์ตรงก็อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าก็ทอให้ขอให้เกิดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าเมื่อเกิดคราวก่อนเนีสร้างความไม่ปฏิสนธใจเดือดร้อนใจให้แก่เรา แล้วความเสื่อมเสียต่างๆชื่อเสียงในทางไม่ดีได้ปรากฏแพร่กระจายไปในที่ต่างๆแล้วคนดีไม่ค็ผ่าสมาคงปราไอ้ไม่ไอล้ลงตายกับตายแล้วบงังเกิดในทุกตินั้นเรายังไม่เจอนะครับเรายังไม่ตายแต่ยางน้อยด้วยประสบการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นเห็นโทษของอกุศลเรานั้น เ่อ ม, มองเห็นโทษจชนนี้แล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละเปลี่ยนพยายามป้องกันเอาไว้คือไม่ประพฤติไม่กระทาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องมีสำนวนที่ตรงใช้คำว่าเหมือนบุคคลรู้ว่าขนทางนี้มันมีภยัยแต่เราการบอกเล่าแต่เราข่าวคราวหรือว่าตัวเองเคยประสบพบมากระาม แล้วก็กลายเป็นบทเรียนที่ควรแก่การละเว้นพอตะขืนเดินไปอีกมันก็มีการสุ่มเสี่ยงมีภยัยมีอันตรายแต่เพงสังเกตว่าบทเรียนเหล่านี้มันมีปัญหาในการศึกษาเรียนรู้โดยพืรนัตยาใสของสัตว์โลกเนี่ยมันมีความไม่อหิงสาเกิดเบียดเบียนกริษยา เรียนคนอื่นได้ดีและทนอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากพื้นฐานของความเบียดเบียนเนี่ยเวลาใครประสบภัยประสบอันตรายโดยผลกรรมคือความชั่วที่เขาได้กระทําเอาไว้เราน่าจะยึดถือเขาเป็นบทเรียนแต่พอดีนิสัยที่เราคิดเบียดเบียนเนี่ย มันรู้สึกว่าสะใจที่ได้ซ้ำเติมคนซึ่งประสบภัยประสบอันตรายเหล่านั้นแต่ตรงนี้เองถ้าเรามองไปอีกชั้นหนึ่ง mm hmm. ก็จะเนว่าการที่เราไปซ้ำเติมใครก็ตามที่ประสบภัยประสบอันตรายเนี่ยเราไม่ชอบเขาเรามองเขาเป็นศัตรูแต่เรามองเขาเป็นมิตรแล้วเนี่ยเราจะเกิดความการุณา นโดยหลักการเนี่ยธรรมะที่ส่งแสดงสั่งสอนเอาไว้เราจะเห็นว่าแต่เราไปใช้ความเพียรพยายามในข้อที่สามทเ่จะกล่าวต่อไปเนี่ยคือเพียรพยายามกุศลเนี่ยแล้วไม่ใช่เพียรพยายามเจริญกุศลแล้วเมื่อเมื่อปริมาณของกุศลมีกำลังมากพอรักษาใจคุ้มครองใจทำให้ใจเรามีคุณภาพขึ้นเนีย พอเห็นคนประสบภัยประสบอันตรายประสบปัญหาโดยจะเกิดกรุณาหรื อ, อยังไม่มีอะไรเนี่ยนะฮะคือเกิดอุเบกขาแม้จะเป็นอุเบกขาที่ไม่รู้โนูเน no อะไรก็ช่างเถอะแต่ก็ดีกว่าไปทําชั่วแล้วกันแต่ว่าโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองคนอื่นด้วยความเป็นมิตรไว้ได้เนยะ เวลาเขาประสบภัยประสบอันตรายประสบปัญหาเราจะเกิดการุณาต่อเขาและจะช่วยเหลือเขาเพราะการประสบทุกข์ของบุคคลอื่นกลายเป็นเครื่องมือในการเจริญกุศลของเราการประสบทุกของคนที่เรารักกลายเป็นเครื่องมือในการเจริญกุศลของเราการประสบทุกของคนที่เราเกลียดเป็นเครื่องมือในการเจริญกุศลของเรา ตรงว่าเราหาโอกาสเนี่ยสร้างผลสได้ทั้งในกรณีที่คนซึ่งเราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยประสบทุกขประสบภัยประสบอันตรายแต่ว่าที่มันยุ่งที่มันไปไม่ค่อยได้เนี่ยมักจะออกมาในรูปที่เวลาเขาประสบทุกขเราไม่ชอบเขาเป็นพื้นฐานอยู่เราไปซ้ำเติมเขา อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราใช้การกระทําเช่นนั้นเป็นบทเรียนว่าเขาเคยประสบความทุกข์เราดูแล้วแต่เราทําอย่างเขาเราก็จะประสบความทุกข์เช่นเดียวกันนมันไม่ยอมคิดอย่างนั้นเพราะอารามที่มันเกิดสะใจเกิดมันในอารมณ์ขึ้นมาที่ได้ซ้ําเติมคนซึ่งเป็นศัตรูตกลงว่าความทุกข์ของเขาเป็นเครื่องมือในการทําชั่วของเรา ในเรื่องที่น่าจะได้นะฮะเพื่อมันน่าจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความดีเสริมสร้างสำนึกที่ชอบที่ควรเนะี่เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเพราะคนที่เรารักประสบความทุกข์เลยจะเกิดความสุขความสูขมันก็เป็นทุกข์ประการหนึ่งนะฮะเป็นทุกข์จอดประการหนึ่งแล้วจะลามพาไปจนโกรธคนซึ่งทำให้คนที่เรารักเกิดทุกข์เย ตัลงว่าแทนที่จะได้บทเรียนเพื่อซํานึกหลาบจําเพื่อป้องกันแม้ตัวเองประพฤติกระทําอย่างคนที่เรารักซึ่งประสบปัญหาอะไรให้ดูเนี่ยเหตุการณ์เหล่านั้นกลายเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความทุกข์กับความช่วยแกเราแต่ตัวนี้ที่จริงทําใจได้ยากเอามามี ม, เ ม, เมเีเรื่องอยู่เรองหนึ่งถึงจริงอย่างนึกขาอยู่จุดต่างวันเนี่เอ๊มันเรื่องอะไร ก็มีรายการอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งหนึ่งเจ้าของรายการนั้นมาไม่รู้จักครับก็ตัวเองก็ไม่เคยฟังท่านก็วันหนึ่งท่านก็มาขอให้อัตมาช่วยพูดออกรายการให้สามวันแล้วต่อมาจะเป็นเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะฮรท่านก็ไปขอจ้าคุณทํารมยดกต่อและเวลานี้ก็ทั้งเจ็ดวันเนี่ยเป็นรายการของอัตมา แต่มาพูดจริงเนี่ยสามวันตอนนั้นท่านก็เทพซึ่งอาตมาบรรยายไว้เป็นจํานวนมากเป็นพันๆ น, นะครับเอาไปเปิดออกแล้วปรากฏว่าท่านเจ้าของรายการเดิมท่านที่เขาเชิญมาแต่เดิมมาเผื่อแทนที่ท่านจะตรวจสอบตัวท่านเองว่าทําไมท่านจึงถูกเขาเอาออกหรือเขาเชิญให้ออกไป กลับมาโกรธมาแสดงอาการไม่พอใจจะมาพูดแหนะแหนะนอยู่บ่อยมีโยมมาเล่าเรื่องบ่อยเกิดในฟังในการวิทยุและเวลาจัดงานตบดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขาบูชาเมื่อปีทลาไสี่สามนะฮนะสี่สามเนี่ยมาในฐานะเลขาธิการจัดงานก็เดินสวดงานก็ผ่านเต็นของท่านผู้นันพอดี มีคนก็แนะนำให้รู้จักนะกระลบไม่ไม่ยอมมาปรบเลยลบอกเออคนปฏิบัติธรรมะสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะแต่เป็นเรื่องอะไรว่าตั้งหลักให้แก่ตัวเองไม่ได้ก็ยอมาล่าอยู่บ่อยๆถามท่นานจะว่ายังไงว่าจะว่ายังไงเขาว่าแตมาไม่นชมาว่าเขานี่นะก็ปล่อยเข้าไปเป็นเรื่องของเขา เราก็รู้สึกสงสารเราเรารู้สึกเสียดายเรารู้สึกสงสารดังนั้นเองแต่ว่าเราก็ช่วยอะไรก็ไม่ได้เราทาใจเป็นอุเบกขาที่มาประรบเนี่ยเรา ม, มีคนมาเล่าอีกนะมีคนมาเล่าอีกแล้วรู้สึกว่าเโมเมโมมาม า, มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะว่าความนิสยานี่ยทําโลกให้พินาฏ ที่จริงงานเผยแผ่ระาศาสนาเนี่ยคุณจะส่งเสริมสนับสนุนการใครทําก็ทําแต่ว่าให้หลักรักษาหลักการที่ถูกต้องในพุทธศาสนาไว้ก็แล้ว ก, กันอย่าไปอัตโนมัติถึงแม้จะจะไปอ้างอะไรต่อเมียอะไรเนี่ยมันต้องนึกที่มาได้นะที่พูดออกไปนี่ทั้งร้อยเรียงออกไปเนี่ยต้องนึกที่ไปที่มาได้เพียงแต่ ว, ว่าการสื่อสารเราก็ต้องสื่อสารด้ภาษาธรรมดาธรรมดาน่อย เป็นง่ายต่อการเข้าใจว่าบทเรียนเหล่าเนี้ยมันมีอยู่ในอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยใ น, นความมาบทเรียนทั้งหลายที่ท่านสอนจากคนซึ่งประสบทุกข์ก็ตามประสบภัยก็ตามประสบอันตรายก็ตามตกนรกก็ตามเกิดเป็นเปรตก็ตามเนี่ยหมายความวนะ่าท่านเหล่านั้นทําตัวให้เป็นตัวอย่างแล้ว ประสบทุกภัยอันตรายให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วเรายังไม่ประสบก็รเรายังไม่ได้สร้างเหตุเราก็ใช้ท่านอะเป็นเครื่องมือในการสำรวจระบาดระวังไม่เดินไปตามมลทางที่ท่านได้เคยเดินไปแล้วตกนรกเดินไปแล้วเป็นเปรตเดินไปแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานเดินไปแล้วเป็นอสุรากายนะเดินไปแล้วต้องติดคุกจิตตารางเดินไปแล้วถูกตําหนิติเตียนเดินไปแล้วมีความเดือดร้อนใจเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะเลย ตัวอย่างเหล่านี้มันลงตัวตัวใกล้ๆกับคนฆ่าคนตายเนี่ยอยู่ในส่วนใดของโลกก็ประสบอันตรายต้องถูกลงโทษด้วยอา ญ, ญาแผ่นดินหนักเบาตามทุ่มควรแ ก, ก่กรณีของความผิดเรายังไม่ได้ฆ่าใครเราก็ใช้ตรงนั้นเป็นบทเรียนนึกว่าเอาคนโน้นวันก่อนก็ฆ่าคนนั้นตายไปเนี่ยกบบาลังตีคุกอยู่ นะมีการยิงเป้านักโทษถามมายิงเพราะอะไรเพราะฆ่าคนตายเป็นต้นเรามีครูอยู่รอบตัวเป็นการสะท้อนธรรมะที่เป็นรูปธรรมให้เราเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนในการสำนึกสำเนีจแระมัดระวังไม่ประพฤติไม่กระทำมันก็ก่อให้เกิดเป็นการสังเวชประทาน แต่ที่นี้พอมาถึงเรื่องนี้กลับมีปัญหาอีกสมมติคนบางคนเน่ยเช่นสมมติเราเล่าถึงคนทําชั่วแล้วก็ตายไปบังเกิดเป็นเป็นเปรตสมมุติเราเป็นเปรตเนี่ยอ้วก็ปฏิเสธตีแล้วเปรตเปิดมีที่ไหนนรกสวรรค์ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีฮะคนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวไปโน่เลยไออย่างนี้มันพูดยากกันนะฮะตอนเรื่องศาสนาเนี่ย มันจะต้องหนุนช่วยกันระวางศรัทธากับปัญญาตัวไหนเราใช้ศรัทธานําเราก็ใช้ปริมาณปัญญาเรามีไม่มากพอเราใช้ศรัทธานาไปก่อนในบางแห่งเราก็มีปัญญามากพอต่อการวินิจฉัยแั่สินเทียบเคียงเราก็ใช้ปัญญาแต่บางทีนี่ใช้ได้ทั้งศรัทธาใช้ปัญญามีกำลังมากพอที่จะหนุนช่วยกัน เชื่อมั่นหลังจากได้ใช้ปัญญาพยายาจิจารณาตรวจสอบแล้วหรือว่าจดใช้ปัญญาพยายาจิจารณาตรวจสอบแล้วศรัทธาก็เพิ่มพูนหนักแน่นมั่งยิ่งขึ้นชีวิตเราดำเนินไปได้โดยถูกต้องโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับศีลธรรมจัญญาเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเป็นข่าวเป็นข่าวให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่ตลอด วันก่อนได้ดูข่าวเรื่องลัทีฝ่าลุ่มกรุงมาเองดูแต่ข่าวนะะยังไม่เคยอ่านเอกสารแต่ก็เราก็เห็นว่ามันแปลกเป็นลัทีควาเป็นเพียงทางจิตทำไมจึงมีความรุนแรงแล้วก็ถูกฆ่าตายไปแต่ตายโดยวิธีไหนก็ไม่รู้นะฮะเขาบอกว่าร้อยี่สิบกว่ารายในระยะปีสองปีมัเนนี้ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าตายเพราะอะไรที่รู้ข่าวเนี่ยขาาตัวตายกินจาตายนะประท้วงรัฐบาลจีนมันก็ทำให้นึกเหมือนกันนะว่าในเมื่อเราอยู่ร่วมกันภายในสังคมชาติบ้านเมืองนั้นต้องปกครองประชาชนทุกคนนะฮะแต่ว่าทุกคนไม่ได้นับถือฝ่ายลุมกง เพื่อทำยังไงว่ฝาฝ่าหลุนมคงอย่าเป็นบันหาให้แก่คนทุกคนแล้วคนทุกคนก็ยอมรับนับถือฝ่าลุนคงมันก็อยู่ร่มกันได้แในสิ่งที่เกิดปาเจ็บล้มตายกันไปแล้วก็ถือเป็นบทเรียนและการอย่าให้เกิดสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเลยเพราะว่ารัฐบาลเองก็คงไม่มีรัฐบาลไหนที่อาฆาตมาร้ายต่อราษฎรตัวเอง แตการศึ์ษาประโยชนส่วนใหญ่เนี่ยมันบางครั้งบางคราวเนี่ยมันต้องเสียสลับประโยชน์ส่วนน้อยเหมือนกันบงคนส่วนน้อยก็ต้องมองในประเด็นของคนส่วนใหญ่ดังคล้ายๆกับเรื่องเนี่ยเรการเรียนการศึกษาเนี่ยจะเห็นว่าเขตขอบเขตที่พระทุ่งติ่งนั้นเป็นการทุ่งติ่งในปกติวิสัยที่ควรจะเป็นไป คือไม่ใช่ไปขัดแย้งกับรัฐธนะฮะเพราะว่าในแง่ของความจริงเนี่ยคนในในประเทศเนี่ยทุกคนต้องมีศาสนาแต่ว่าในแต่ละขณะนั้นคนไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาส่วนทีนเ่เนผู้ใหญ่เลยการศึกษาไปแล้วส่วนที่เป็นเด็กยังไม่เข้าศึกษาโรงเรียนมันก็ไม่เด็ดไม่ได้ศึกษา แต่ในขณะนั้นเนี่ยคนต้องมีหลักธรรมในทางศาสนายิ่งปัญหาเกิดวิกฤตอะไรต่างๆขึ้นมามากมายทั้งอารมณ์ทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจต่างการเมืองโดยเฉพาะยิ่งยิ่งวิปปนาเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะฮะเดนนี้ที่เขากำลังรารง์เรื่อง EQ IQ MQ อะไรต่างๆกันนะแต่เราจะเห็นว่า แม้แต่กรอบข็นคำว่า EQ เองเนี่ยมันคืออะไรเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเพราะถ้าเราดูจากมุมของศาสนานเนี่ยแสดงว่าคนเราอ่อนไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกเพราะา EQ จึงไม่ได้อยู่เฉพาะข้างในยอย่างเดียวแต่ไปอ่อนไหวจากอารมณ์ที่กระตุ้นมาจากข้างนอก ตรงนี้ถ้าหากว่าปัญญามาเข้ากำกับมีการวิเคราะห์ตรวจสอบอารมณ์คือรูปเสียงกินรถผลิภัณฑ์ก็เรียกว่ารูปารมณ์สัทธารมณ์กัญธารมณ์รสอารมณ์ผฏิาภมณ์ธรมารมณ์เนี่ยโดยใช้ไปในทุกกรณีแหละก็แล้วแต่รูปบางอย่างใช้เป็นการศึกษาเรียนรู้ถึงความจริงแห่งชีวิตที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเอง เช่นเราเจอคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยมันก็เป็นข้อมันอย่างนั้นเองแม้เราเองก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ลงค้นความเป็นอย่างนั้นไปได้หรอกทีนี้ถ้าหากว่ารูปตัวตนของบุคคลที่เขากระทําชั่วแล้วก็ถูกตำรวจจับกลุมบางทีก็ถูกซ้อมสีก็ถูกสารตรัดสินลงโทษบางทีก็ถูกตีจวน คือค่าและอะไรต่างๆไปชนวนมากมานั่นก็กลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการต่ดใจมุกเวดด้ว ย, ยเราไม่เอาอะอย่างงี้ไม่เอาเราไม่ทําอ่ะแต่เราทําอย่างนี้เราก็ต้องติดคุกด้วยถูกตีส่วนด้วยถูกต้อมด้วยอ่าถูกทุกตีบาเดเจ็บด้วยสมัยที่ไปอยู่ที่อินเดียตอนนะั้นมันแรงนะอินเดียสมัยอินดิราการันทีนี่แรงไหม บางที่เด็กมันก่ อ, ก, อการเจรจาจนเราก็ยืนดูทั่หน้าตา่างนะไม่ว่าจะทําอะไรแล้วพลาดเนี่ยาทาอะไรไม่ได้คืออยู่ดูโอ้ตําบจอินเดียเนี่ยมันทุบใยไม้ตะบองไมายัดถิไม่ไผ่ปังไม่โวงเออทุบไม่เลี้ยงเลยนแล้วก็เด็กก็มีคนที่มาถูกทุบอยู่เลยคือไม่มีใครที่จะมองว่าการปฏิบัติอย่างนั้นเป็นโทษ แต่มันไม่ได้แสดงไม่เห็นถึงภูมิธรรมเรือแสดงเห็นถึความเป็นปัญญาชนที่รู้จากว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยปัญหากเกิดซ้ำซากอยู่อย่างงั้นกว่าจะผ่านการสอบไปได้ในแต่ละคราวในย่ําแย่เลยวันที่สอบอยู่เนี่ยแก ก, ก็ก่อกวนแกก็ละวาดแกก็ประท้วงจีตถนนจิต ตระตูหมาวิทยาลัยปิด ท, ท่องเรียนอะไรต่ไรเนี่ยแล้วก็ทําให้สถาบันที่ไปรงบรวมกบต่าลงไปคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ศึกษาสำเดียวที่จะระมัดระวังที่จะมองสิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนว่าเคยสร้างความเสื่อมเสียแก่องคอ์กรแก่สถาบันแก่บุคคลมันก็เห็นกันจระจ่าเนี่ยนั้นอารมณ์หล่านั้นม า, มาจากข้างนอก แต่ถ้าทีความรู้สึกของเราเนี่ยพอเราเห็นแล้วเราไปเกิดเฉพาะโทวสัต์แต่ถ้ารถเราเกิดปัญญาเนี่ยมันกลายเป็นครูได้นะฮะแม้แต่ญาติพี่น้องเราสมมติว่าญาติพี่น้องเราไปขโมยทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นผู้ถูกตำรวจไล่จับแกต่อสู้ตำรวจยิงบาดเจ็บแล้วก็ถูกจับสารตัดสินจำคุกเนี่ยเรามองให้ดีแล้วคือครูนะฮะ เพราถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเฉพาะญาติพี่น้องของเราแม้คนซึ่งเราไม่ชอบถ้าทําอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละญาติพี่น้องเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเราเองก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วใครก็ตามใ น, น, ในส่วนใดของโลกถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละทั้งความชั่วของบุคคลอื่นเนี่ยจะเป็นของญาติของมิตรของศัตรูอะไรก็ตามมันก็กลายเป็นครูได้ หรือแม้แต่คนที่เป็นศัตรูของเราที่เราไม่ชอบแล้วไปประพฤติกระทำอย่างนั้นเราเห็นเข้าตเราเต็เที่จะมองซ้าเติมเขาเราก็ชักเขาเป็นครูนี่ดูสิก็อยู่เดินอยู่ดีๆแล้วไม่ไปฉกกระเป๋าเขาก็คงไม่เป็นอย่างนั้นเราไปฉกกระเป๋าเขาแล้วก็เป็นอย่างนั้นเอาสมมตว่าคนที่เรารักก็ได้เราชังก็ได้เดินเดินอยู่ปกติแบบนี้แหละแต่ว่า อันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเจนรถกำลังวิ่งมาจะชนวนเอาเด็กเนี่ยคนกระ น, นี้โดดเข้าเสียงก็ไปอุ้มเด็กออกมาได้ทันทีทันใดเชียวหินเดียวตัวเองบาดเจ็บนิดหน่อยเรามองด้วยความชื่นชมก็กลายเป็นบทเรียนอีกหละบทเรียนที่จะทำํำอันนี้บทเรียนที่ไม่ไม่จะบทเรียนที่จะหมดเว้นนะเป็นบทเรียนที่จะทําตามในโอกาสต่อไป แต่วในด้านนี้ในสามวรรพธา น, นี่ยคือเน้นในแง่ที่ใช้เป็นบทเรียนและสํารวมระวังคือไม่ประพฤติไม่กระทําเช่นนั้นเพราะว่าเป็นเหตุที่ให้เกิดภัยให้เกิดอันตรายก็เห็นกันจะดจ่เห็นกันชัดๆัดเพราะามันต้องมีพื้นฐานความเชื่ออยู่ด้วยอย่างพูดเรื่องนรกพูดเรื่องสวรรค์พูดเรื่องเปรตพูดเอสุรกายพูดเรื่องสังสารวัฏเนี่ย เราไม่มีที่ไปจากสู่เราไม่เห็นน่ะแต่ว่าเหตุก็คือการกระทําความชัว่วแต่เหตุที่ทําความชั่วนี่ที่จริงมันไม่ต้องหลอถึงโลกมันก็ประสบปัญหาอยู่แล้วประสบความทุกข์อยู่แล้วประสบความเดือดรอด้อนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่สะสมกับความผิดก็มียอดยกมาลงโทษกันต่อไปสร้างปาัญหาสร้างความทุกข์ในโอกาสต่อต่อไป ทุกเราทุกอย่างเลยกลายเป็นครูเป็นบทเรียนได้ทั้งหมดหมดเว้นสำรวมระวังทางความผิดพลาดบกพร่องของบุคคลอื่นเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ความผิดพลาดบกพร่องของเราอนะก็เกิดสมมึกหลับจําสํารวมระวังม่พลาดไปแล้วก็ไม่จะทําต่อไปยำพลาดเวลาต้องอาบัติเนี่ยก็ไปสารภาพกับเพื่อนโดยกระถามมาท่านเห็นว่าเป็นความผิดหรือเปล่าเป็นอาบัติหรือเปล่าท่านบอกว่าครับผมเห็นวมเป็นความผิด อื่นก็แสดงความเห็นใจความเข้าใจนะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับคือตั้งใจสำรวมระวังต่อไปก็แล้วกันแต่บอกว่าครับครับครับครับผมจะตั้งใจสำรวจระวังต่อไปแม้จะผิดพลาดเป็นมาอีกแต่คนเรามันช่วยจตีเดชเียทนนะ่ะหกลุ้มหกลุ้ไปได้แต่ข้อสาคัญว่าถ้าผิดก็ต้องสำนึกว่าผิดแล้วก็ หลาจจำสมมวมระวังที่จะไม่ประพฤติไม่กระทําเช่นนั้นต่อไปถ้าถูกก็คือถูกมีความเชื่อมัน่นในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็พยายามประพฤติกระทําต่อไปได้มากๆแต่เราคิดได้อย่างนี้ทิงทั้งหลายในแวดวงชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถใช้เป็นครูเป็นประโยชน์ในการ สัมรวมระวังไม่บาปไม่กุศลบังขึ้นภายในจิตใจของเราได้ั้งฟังเทา่าไรใตหลวพระพุธยาในวันนี้ข อ, อยุตติไว้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอ ง, งามไปบุ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี